ท่านเป็นผู้อดทนเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีปัญญาในทีตต่างๆที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งในกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าเสด็ย์ประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันในกรุงราชคฤห์คือแม่ของท่านภาษาริบุตรนอยู่ที่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 หมื่นแสนล้านโกดสิบหมื่นเป็นแสนสิ 0,000 เป็นล้านสิล้านเป็นโกดคนตะก่อนเขานับเป็นโกดแปด0โกดก็ เ, เอา10บคูณเข้าไปเลยเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ท่านจะบอกเป็นเศรษฐีแต่มีท่านมีพี่น้องอยู่7คนนะภาษารีบุตรท่านเป็นคนหัวหัวปีเป็นคนโต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 พระองค์บอกว่าลาหุนเธอจะเอาโล ก, กียทรัพย์หรือจะเอาโล ก, กุตลทรัพย์หรือล ก, นะอลกมันพอลาหุนก็คงจะถามเนี่ยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบอันไหนดีพระเจ้าข้าพระองค์โล ก, กุตละซับเน่ยเลิศประเสริฐกว่าโล ก, กียาซั์มันหมดเป็ น, นใช้ใจ่ายมันก็หมดโล ก, กุตลทรัพบเน่ยอยู่ในจิตใจนะไม่มีวันหมด ควรจะเอาโลกควรจะเอาโลกุตลรัพท์ดีกว่านะโลกคราบผมพอเน่เอาสารีบุตรเอานำลาหุนไปบวชซะสาเป็นสำมัญเนนพะระพุทธเจ้าก็เลยมอบให้ภาษาลีบุตรเป็นพระอุปชานะนะปพระองค์ไม่ได้บวชเองนะมอบให้พระลภาษาลีบุตรเป็นผู้กํากับดูแล ร, ราหุน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 ท่างก็เลยพาพระสงฆ์ไปบินทบาทไปก็เลยไปผ่านผ่านมพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยใช่ไเข้าไปก็เลยไปหาบ้านคุณแม่ปราเหลาหุนเป็นเนน้อยก็ไปด้วยพอเข้าไปในบ้านแม่เห็นเท่านั้นหละคล้ายกับลูกชายคนโตแล้วก็น้องๆก็ไปบวชหมดพาน้องไปบวชหมด แม่ในก็ยอยู่นั่นแหละจุกบุริวา น, นโมโ ห, โหพอเห็นลูกชายเข้ามาเท่านั้นแหะแม่ทั้งที่จะมีศรัทธานีหนึ่งความโมโหมีอยู่เออ โ, โหลูกเอ้เอไปหาขอที่อื่นหาขอกินข้าวที่อื่นไม่ได้เนา ะ, ะไปหาขอเศษขอเดนจากคนอื่นไม่ได้เนา ะ, ะกลับมาบ้านแล้วเนี่ยสมควร จกินข้าวกินอาหารเนยไม่ควรจะกินในกระบวย y หรอกกินในก้นกระบวยก็พอกระบวยคือทับพีนะไอ้เขาเอากระบวยตักตักข้าวตักแกงคนโบราณนะใช้กระบวย y แต่นี่ทุกร้านพุกวันนี่ทับพีนะทับพีตักแกงนะอย่าไปหากินอยู่ในทับพีกินในก้นทับพีอะไรหลังทับพีก็พอยแล้วละ่ะไอ้ แม่ภาษาลิบุตรตะอคอกให้ลูกว ะ, ะเธอเนี่ยท่านนี่ยทำให้จิบหายตระกูลจิบหายเงินตั้งแปดสิบโกศน้องๆกบหนีไปบวชมดท่านเนี่ยเเป็นผู้พานําไปอท่านให้ตระกูลจิบหายทั้งทังตักอาหารให้ด้วยทั้งด่า ล, ลูกชายไปด้วยแม่นะอภาษาลิบุตรกระเช้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 พระลาหูนี่ถือว่าพระสารีบุตรนี่ถือว่าเป็นพ่อพ่อพ่อนั่นพ่อบุญธรรมนะท่านก็เรียกว่าไปรับบิณฑบาตบ้านคุณย่าครับผมเออไปไงบ้านคุณย่าคุณย่าโอภาปาสัยกับท่านสารีบุตรดีไหมพระลาหูก็เลยเล่าเล่าให้ฟังอย่างที่ว่านี่ยนะอ่า สันนี่ก็ท่านแล้วไอ้สาริบุตรเออาจารย์อุปชาของเธอเนี่ยตอบคุณย่าว่าอย่างไงพลาหุ่นก็บอกว่าพ ร, พระอุปชาของขา้าบของข้าพระองค์ไม่ได้ตอบว่าเลยพอเห็นยา่าว่าอย่างงั้นแล้วก็พระอุปชาก็นิ่งเฉย อ, อพอนิ่งเฉยแล้วก็